พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่สิบสี่โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ห้าพฤศจิกายน2556ห้าห้าสหมีชื่อเรื่องว่าจะทํางานใหญ่หัวใจต้องเข้มแข็งวันนี้เป็นวันที่ห้า พฤศจิกายนพุทธศักราช2556เมื่อวานคณะสงฆ์และคณะกรรมการกลุ่มย่อยอปรึกษาปรารบกันหาหรือกันเกี่ยวกับการพระราชทานสรีระของหลวงปู่เราเมื่อวานไ ด, ได้พูดกันในกลุ่มย่อยในปรึกษาปรารบกัน ว่างานของเรานจะเดินไปยังไงเราจะประสานงานติดต่อกับใครบ้างแล้วก็วันนี้จะมีการประชุมอีกตอนบ่ายคงจะเป็นเจ้าคณะอําเภอในท้องถิ่นของเราเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสแล้วก็พี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในงาน จะมาประชุมกันหารือกันอีกรอบขราวนี้คงใหญ่ขึ้นไปหน่อยเนึ่งแต่ถึงยังไงเรื่องการเลือก ง, งานของหลวงปู่เราที่จะปรึกษาปารบกันเพราะว่ามีคนหลายกลุ่มหลายฝ่ายหลายคณะหลายบุคคลหลายจิตหลายใจนานาจิตตังนานาทัศนะก่อนที่จะมาหล่อหลอมให้เป็นหนึ่งเดียวกันมันไม่ใช่ของง่ายนะคณะสัทา ญ, ญาโฉมทุกร้าน สรุปแล้วก็คือต้องใช้ความอดทนพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างหลวงพ่อเนี่ยจะต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากเหมือนกันแต่จะไปใช้แต่ความอดทนอย่างมากก็ไม่ได้เราก็ต้องใช้ไม้เรียวบ้างเป็นบางครั้งถ้าเราจะใช้แต่ไม้เรียวมีประเด็ดการอย่างเดียวก็ไม่ได้เดี๋ยวงานวงแตกอีกเราจะใช้แต่ความอดทนอย่างเดียวก็ไม่ได้ งานก็ไม่เดินไม่ไปไม่มากระวงแตกอีกเพราะนั้นต้องใช้ความรอบครอบทั้งสติทั้งปัญญาทั้งศรัทธาทั้งความเพียรเข้ามาผสมประสานกันเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราผู้ทางานทั้งหลายนะลูกหลานนะได้ยินเสียงทางไหนมาต้องฟังอย่าไปเอียงเอ็นกับคำพูดและเสียงนั้นๆเราต้องมั่นคง เหมือนกับเสาหลักมีอะไรต้องปรึกษาปรารบกันมีเป็นอย่างนี้อย่างนี้จริงไหมเราก็จะถามกันถ้าถามกันแล้วไม่ได้เรื่องเราก็ต้องค้นหาต้นเหตุมันมาจากไหนในเมื่อรู้รู้ต้นเหตุมาจากไหนแล้วละ่ะเราก็ลุมรวมกันจาัด ก, การที่ต้นเหต์อย่าให้มีต้นเหตุอย่างนี้มาอีกต่อไปสิ่งเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกุกท่านนะ การที่จะทำงานใหญ่อย่างนี้ไม่ใช่งานเล็กๆนะงานหลวงปูนะ่งานระดับประเทศระดับชาติเพราะนั้นพวกเราที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของท้องถิ่นเจ้าของกิจการงานเป็นลูกหลานของหลวงปู่พวกเราต้องมีความพร้อมเพียงมีความสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวมีอะไรมีเสียงอะไรดังมาจากที่ไหนให้พวกเราเยืนเน่ง สังเกตจ้องไปที่เสียงมาจากนั้นเสียงนั้นเป็นยังไงเป็นผิดเป็นภัยกับพวกเราไหมถ้ามันเป็นผิดเป็นภัยกับพวกเราพวกเราก็จะต้องเคียงบา่าเคียงไหล่กันที่จะต่อสู้หรือว่าที่จะทำความเข้าใจกับเสียงนั้นนี่แหละอันนี้คื อ, คอธรรมชาติการอยู่ด้วยกันไม่ว่าสัตว์สาราสิงอยู่ในป่าดงพงภัย สัตว์สาราสิงก็เหมือนกันพวกเราให้สังเกตสมัยก่อนป่าดงพงไผยยังหนาแน่นถ้าได้ยินเหี่ยวโฉบมาจากข้างบนพวกนกนกแสวนกเกียงแถวบ้านเร า, านกดำ เ, เสียงกรอกมันจะร้องเตือนกันเป็นแถ บ, บม า, าจากนั้นก็ต้องมองดูเป็นพิษเป็นภัยไหมถ้ามันผ่านไปแล้วก็เออมันผ่านไปถ้ายังไม่ผ่านไปก็จะต้องมาอยู่ในกลุ่มเรา ก็ต้องเตรียมตัวระมัดระวังตัวใครตัวเราแต่สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติมาแต่เด็กตำบันพนักงานทุกงานกลุ่มใหญ่ขนาดนี้หลวงพ่อเองในฐานะพระสงฆ์ถ้าจะว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานงานอย่างนั้นก็นเหมือนกับยกตัวเองสูงเกินไปแต่ตามจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราไม่ได้ถือว่าหลวงปู่จามเป็นใคร เ, เป็นหลวงอา เ, อเดี๋ยวนี้เป็นใคร หลวงอานี่เป็นใครถ้าจะยกไล่เลียงไปแล้วนี่หลวงพ่อไม่ไม่เป็นผู้น้อยใครในเรื่องนี้เพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงยืนหยัดสู้ทุกรูปแบบถึงจะเป็นงานการเงินการทองการอะไรก็ตามถ้าหาว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหลวงพ่ออินต้องเอาคอเข้าไปประกันทันทีเลยค่าใช้จ่ายค่าอะไรก็มีมามีอะไรไหมมีเรื่องอะไรไหมที่มากระทบกระแทกมีอะไรไหม พวกเราสืบสอบดูซิว่าหลวงพ่ออินเนี่ยอยู่ในสถานะไหนอันนี้หลวงพ่อไม่ใช่ขี้อวดนะถึงข้าวพูดต้องพูดให้ฟังในความจริงจังและจริงใจอยากจะให้งานของหลวงปู่ของเราเนี่ยสำเร็จรุ่งไปด้วยดีไม่ควรจะมีคนนั้นมาถีบคนนั้นมาเตะคนนี้มาขยี้ขยำแต่เป็นผู้ใดก็ตามถ้าลูกหลานศรัทธาญาติโยมบอกว่า บุคคลคนนี้นะเป็นผิดเป็นภัยนะหลวงพ่ออินนะหลวงพ่ออินจะบอกอตํารวจหรือใครก็ได้เป็นบุคคลที่ไม่พผงปรารถนาอย่าให้เข้ามาในกลุ่มของเราให้นิออกห่างอย่าเข้ามาในกลุ่มของเร า, เ, าเนี่หลวงพ่อจะจัดการแต่ถึงยังไงแต่ถึงจุดนั้นเข้ามาแล้วก็มันก็ต้องปรึกษาปรารถกันซะก่อนในเมื่อปรึกษาปรารถกันแล้วเห็นพ้องต้องกันแล้วในพี่น้อง ในคณะทยายาโยมในคณะกรรมการหลวงพ่อก็จะสั่งเป็นเด็ดขาดลงไปได้เพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีพระเดชไม่ต้องมีพระคุณอ่อนแออย่างเดียวไม่ได้งานนี้งานของหลวงปู่อ่อนอย่างเดียวไม่ได้แต่แข็งอย่างเดียวก็ไม่ได้เหมือนกันเสียหายเพราะนั้นพวกเราลูกหลานทุกคนนะต้องยืนจัดนะต้องเข้มแข็ง หลวงพ่อไม่ให้อ่อนแอแต่ไม่ให้แข็งกระด้างให้อ่อนน้อมถ่อมตนให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ำให้รู้จักสิ่งควรไม่ควรอย่าไปขี้งกอย่าไปขี้โลคพวกเราหาทรัพย์สมบัติที่อื่นเราหาได้นอกวัดแต่ในวัดของหลวงปู่เนี่เป็นเป็นส่วนที่จะมาสร้างบุญสร้างกุศลในวัดของหลวงปู่ต้องเสียสละมาจุดนี้เราต้องเสียสละ จุดอื่นเออไม่ว่ากันเราจะเสา ะ, ะแสวงหาทรัพย์ยังไง เ, เป็นหน้าที่ของเราจะต้องเสา ะ, ะแสวงหาทรัพย์แต่เข้ามาอยู่ในวัดของหลวงปู่ของเราเนะี่ยต้องเสียสละร่วมกันตั้งแต่หลวงพ่อนะเป็นต้นไปหลวงพ่อเข้ามาหลวงพ่อจะเสียสละสิ่งไหนที่ขาดเหลือขาดตกบกพร่องบอกม า, างานนี้หลวงพ่อเองจะไม่ถอยอถึงว่าการค่าใช้จ่ายหลวงพ่อทําอย่างอื่นหลวงพ่อทําได้ ขนาดหลวงพ่อรับจะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตามหาบัวหลวงพ่อยังรับว่าข้าพเจ้ารับให้กับกลุ่มของข้าพเจ้าห้าสิบล้านขนาดก็รับมาแล้วแต่งานของลูกปู่ของเราเนี่ยหลวงอาของเราเนี่ยมันจะมากน้อยอย่างไงแค่ไหนหลวงพ่อเองยินดีเหมือนกันที่จะเข้ามาช่วยเรื่องจิตตุปัจที่จะต้องได้จัดการถวายหรือ ว, ว่าจัดการ งานของหลวงปู่ของเราวัะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาติโยมลูกหลานนะทุกคนนะเข้มแข็งนะที่หลงพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้นแต่ไม่ใช่ให้แตกเล้าสามคีกันไม่ใช่ให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันให้พนึกใครเดือดร้อนเรื่องอะไรไม่ไม่สบายใจเรื่องอะไรมีความขัดข้องหมองใจเรื่องอะไรบอกกันบอกเข้ามาในที่ประชุมในที่ประชุมที่ประชุมของเราก็จะได้ หาต้นเหตุสักไซไล่เลียงกันว่าเป็นยังไงเพราะ อ, อะไรทํำไมหลวงพอว่าท า, าว่าพวกเรามีความพร้อมเพียงสมัคคีกันมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเพื่อจะจัดงานลูกปูกให้สําเร็จลุลวกหลวงพ่อมั่นใจใหญ่ขนาดนั้นก็ใหญ่เะ เ, เล็กไปได้เพราะเหตุไรเพราะความพร้อมเพียงสมัคคีของเราใหญ่กว่าทางว่าพวกเราแตกแยกสมัคคีกันไม่เข้าใจกันืหอหูเบาฟังตรงนั้น ฟังตรงนี้เขายุยงตรนนั้นเขาแยงตรงนี้ผลในชุดก็เลยแตกกันแตกกันเรื่องอะไรหลวงพ่อมั่นใจเหลือเกินว่าเรื่องขี้พูดง่ายๆเรื่องขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเนี่แหละเรื่องลาบเรื่องยศเรื่องอยากจะได้หน้าอยากจะได้ตาอยากจะได้ยศอยากจะให้เขายกย่องเชิดชูบูชาตนมันเรื่องกิเลสทั้งนั้นถ้าเรื่องทำแล้วมันต้องหนักแน่นอะไรเกิดขึ้น เราต้องการอะไรต้องการไปเพื่ออะไรอีกสักวันหนึ่งเราจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมเราจะอยู่โชวฟ้าดิจลายอย่างนั้นใช่ไหมถ้าคิดและลึกถึงความตายไปอยู่เสมอตัวเองจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งเราจะเอาไปเพื่ออะไรสิ่งเหล่านี้ต้องคิดนะพี่น้องลูกหลานคณะตถาญาติโ ย, ายมทุกคนนะหลวงพ่อเองให้คิดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองจึงไม่กระตือรือร้นไม่กระเสือกกระสนเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ อย่างหลวงพ่อเนี่ยท่านไปให้ไปรับเป็นพระคู่ประลัดแต่ต่อไปจะได้เป็นเจ้าคุณจะ้ให้ตามขั้นตอนหลวงพ่อจะยกมือท่วมหัวโอ้ยกระผมเป็นบ้านนอกปา น, นาขนาดนี้ก็พอแล้วละ่ะเจ้าพระครูเนยอท่านจะให้ก็ยินดีรับเป็นอย่างมากแต่กระผมก็ข อ, อจูอย่างนี้ละ่ะนี่แหละหลวงพ่อ หลวงพ่ออินเนี่ยถ้าจะพูดไปแล้วไม่แพ้หลวงปู่จามเหมือนกันนะลูกหลานนะหลวงปู่จามเนะี่ยท่านอยู่แบบทันโดดหลวงพ่อก็เป็นหลานของท่านอยู่แบบมุ่มุสีสีจะดีกว่าแต่ทิ้งยังไงให้เข้มแข็งในใจถ้าถึงขาวเข้มแข็งไม่ถอยจะมาไม้ไหนมาถ้ามาไม่ถูกไม่ถูกต้องศีลธรรมแล้วไม่ถูกตามหลักธรรมคำํำสอนแล้วไม่ถูกตามหลักพระธรรมพิไนแล้ว ผิดขนบธรรมเนียมประเพณีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วมายืนหลังพิงฝาเลยซดซ้ายซดขวาเลยไม่ยอมถอยแต่ถ้าหากว่าเป็นศีลเป็นธรรมเลยยกมือไหว้กราบคารวะทุกทัดที่มีน้ำใจที่มีความอนุเคราะห์สงเคราะห์ที่จะมาช่วยงานหลวงตายกมือไหว้ทุกคนยินดีเข้ามาช่วยกันเน้อพี่น้องลูกหลานสตทาญาติโยม ลงปู่ลงตาลงตาของเราลงปู่จางพวกเราไม่ใช่ของหลวงพ่ออินนะเป็นของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเห็นไหมเหมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ใครเข้ามาท่านก็เคาะหัวเคาะกระบาลให้ตั้งให้ศีลให้พรทุกคู่ทุกค น, กคนมันชั่นท่านไม่ใช่จะให้แต่หลวงพ่ออินคนเดียวนะให้ทุกคนนะเพรานั้นเท่าถือว่าลงปูขงปป่ของเราเป็นปู่ของเราเป็นตาของเราเป็นญาติของเราเป็นญาติธรรมของเราเ เป็นที่กราบไหว้เคารพสักการะบูชาของคนทุกหมู่เหล่าเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็คนหนึ่งที่ให้ความครบเอา้าในองค์หลวงปู่ของเราในฐานะเป็นเชื้ อ, เ, อเลือดเนื้อเชื้อไขด้วยแล้วเป็นนักพจนักบวชอย่างองค์งหลวงปู่ด้วยแล้วก็ได้รับทําคําสอนจากองค์หลวงปู่ด้วยแต่สําหรับหลวงพ่อเนีหลายด้วยนะแต่ที่ยังไงก็ขอฝากไว้กับ คณะทาญาทโยมลูกหลานทุกคนที่พูดทั้งนี้ให้เข้มแข็งที่ว่าเข้มแข็งคำนี้ก็คืออยากจะให้พวกเราเป็นตัวของตัวให้มีสติให้มีปัญญาให้มีความให้มีศรัทธาให้มีความเชื่อมั่นแล้วก็ยืนหยัดเพื่อจะให้งานชิ้นนี้งานของหลวงปู่ของเราเนี่ยสำเร็จรุ่วงไปด้วยดีถึงใครจะมาก็ตามอย่างที่หลงพ่อนะ่ยขอย้ําอีกว่านะใครจะมาก็ตามมาพูดเกี่ยวกับ งานของหลวงปู่ของเราเนี่ยวิจงวิจารชมพนอย่างนี้บอกมาเดี๋ยวหลวงพ่อจะจัดการหลวงพ่อไม่ใช่ธรรมดานะถ้ า, ถาได้ชนแล้วเอ า, เอาตำรวจหิ้วปีกออกไปเลย เ, เป็นบุคคลที่ไม่พึงปราถน า, าถ้าหากว่าทําไม่มาไม่ถูกที่ถูกทางนะถ้ามาด้วยจิตศรัทธา ม, มาด้วยความเคารพรักมาเลยมามากน้อยเรายินดีต้อนรับ เรายินดีกำลังเตรียมตัวต้อนรับอยู่แล้ว เ, เราจะกางเต็นท์ให้ห้องน้ำห้องทานแล้วจะให้ไฟน้ำเราจะาให้โรงทานเราจะหาใหเ้เราจะพร้อมที่จะต้อนรับบุคคลที่มีจิตศรัทธามีจิตใจดีมีความน้อมระลึกถึงองค์หลวงตาองค์หลวงปู่ของเราถ้าใครก็ตามถ้ามีความอิจฉาพยาบาทอาคาดมีเจตนาที่ไม่ดีปูลวคิดไม่ดี ทำออกมาก็ไม่ดีพูดออกมาก็ไม่ดีบุคคลนั้นไม่เป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาของพวกเราคิดไม่ดีก็คือคิดอยากจะให้แตกแยกคิดจะให้อิจฉาไม่ให้งานของลูกปู่สำเร็จลุล่วงยุ่ยแยงตอนั้นคนนี้อันนี้แหละคิดไม่ดีพูดออกมาก็พูดไม่ดีทำออกมาก็ทำไม่ดีคนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีเป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาของบรรดาลูกหลาน มีหลวงพ่ออินเป็นประธานเพราะนั้นขอแจ้งขอบอกกล่าวให้กับคณะจัตทาญยาิยาจโยมลูกหลานทุกคนนะให้ฟังเอาไว้คำนี้นะะตอนนี้ไปรับผ่อนอนุโมทนาให้พร